บุกทูห้าสิบห้ากการทำงานคุณทำอาชีพอะไรคะご職業ุยะสามีดิฉันเป็นแพทย์ค่ะโอตัวอิช ดิฉันทำงานเป็นนางพยาบาลวันละสองสามชั่วโมองパートタイムの看護師として勤務していますอีกไม่นานเราจะได้รับเงินบัมนานもうすぐ年金生活ですแต่ภาษีสูงมากでも税金が高いですและค่าประกันสุขภาพก็สูง 健康保険も高いですหนูอยากเป็นอะไรในอนาคตあなたは将来何になりたいですかหนูอยากเป็นวิศวกรエンジจิになりたいですหนูอยากศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย大学で勉強するつもりです ดิฉันเป็นพนักงานฝึกหัดเด็กฝดิฉันมีรายได้ไม่มาก稼ぎはあดり多くありませんดิฉันฝึกงานอยู่ต่างประเทศนี่คือหัวหน้าของดิฉันこちらが私の上司です ดิฉันมีเพื่อนร่วมงานที่ดีですเราไปทานข้าวเที่ยงที่โรองอาหารเสมอいつも社員食堂に行きますดิฉันกำลังมองหางาน仕事探していますดิฉันว่างงานมาหนึ่งปีแล้ว